เสี่ยะไรนบ่สบายคกตเอากันไหนตัวเหดยวอนนมอแตหลางกันไปพรากันบอสเที่นาไทยไนเนร้อนบอกแต่การกินเทาก็ยังเรกอีถึงมันก็เน็ด แม่ไล้ถ oh, ั่วได้จานเหรอแม่เม่นผิดมมเข่ามอมเขาอดบกกลั่่เมอเามแ่ป็นผิดเป็นผิดเป็นผยามันบเป็นประโยชน์ทั้็เลือกออกบอว่าประเภทเนียวสภเภศปลาบอกว่าประเพทพักประเพศฝนเม่อไดมันบเป็น แต่ตอนน้มันเป็นผลเป็นประโยชน์บาดเนื้ออาปากาไหเข้ามาเยียใไม่มัเป็นไม่เอียงจะเอาหีบโนดไม่นั้นบอดีบอคองทนมาปูขึ่น้ังขึ่นทันงกระหาคาพังหลื่เลี้ยวมมันคองถท้าว่อนหายยันเลยเลือก โมมนเปลี่ยนอยล่ยนออกกับพี่นั้นมาทํานกันทํานท้าว่างท่าแต่นันใสงานมันแง่ต้อเลือกไหมทุกอยมันเลือกท่านั้นโมมันโมเลือกมันยังใดดีเห็นโเลือกเอาโอรมันบมใดดีทั้งปอน กุ้งอนเหนียวเขาก็ยังเลื อ, อกนะด้ด่ยนั่นคือหมูขีม้าง่าไหมใบหยาคิดยิ้มคิดผ่างคิดแห้มาเอามาแก่งเด็ดในสัปิมก็ได้ตายเลือกทุกอย่างที่ายนอกภายในทำบุญเพิท่ า, ท ก, ทาก็เลือก ผู้พายใน้าไปกว่านั้นนางภาวนาเหน้าภายหน้ายอารมณ์คงใจเขาก็เลี่ยกอีกยิ่งใดถือมันเป็นถอดเป็นไพ่เขากะละเว้นหีดเลี่ยงมันหรือตามกันคิบด้วยยิดให้ฟื้นให้เจียวให้คลอกมันก็จะทือเป็นไปถือความดีถือบว มันจะคิดไปย er. ังไงคิดไปมันจะมุ่งอันใดก็มุ่งไปแค่มันสิ่อใดสืเสียคุยจะสั่งจะดไปถามหาถ้ามันสิ่อเรื่องก้าวหนามันสิยึดือดีนี่แต่แค่มันสือโจมสืพังยามทีนีตทีวานะเด็กหุกนจะมีหัวใจอยากได้ดี มาวัดมาว่ามาจำิีภาวนาเดินหัวใจทั้งเจ้าองวัดเดงมันขันมันเงวมันสูงมันต่าอย่างไรยิดใจเขามาวัดวัดเดินมันอยู่ในสินในถ้ำได้ไหมหรือเหรอมันไปนะเลียมดืดตันหาไปในเดียมโข่งเดียมเงสานเขากลับจิดกับอ่านกับวัดมันเดิน ไปยางนันไปได้หนกจีนหนกถ้ากับบางคาบางซาจะแข่ ง, งมันไปห้ามกันเอาไว้ใครคิดอย่งีนเหลี่ยงถ้ำโรมจิดคล้องตัวอยูอ่ในขอบในเขตทาคิดคองตัวให้สวบใหเยน็นอย่าให้มัน่อนมันใหม่ อยูไฟราคะไฟโทษสะไวไปโมหะความโลภความโกรธความโหยที่แกหน้าได้นี่ปันยาใส่ข้าวฟองกระใสใส่ข้าหใส่ยัดใสเยิ้นแต่งอุปสรมีการปฏิบัต ตัวคงตัวปฏิบัติศาสนาแต่ที่ปฏิบัติตัวคงตัวเวลาตัววันี้ฟื้ดีใี้ีพรุ่คืนเหมือนกันสัาว์แต่หนาวันนี้วันอื่นทำสามหัวใจเจ้าสามขมาฮะกายให้ใจองเท่าเล็บบอดีถึงทุเรียนเพิ่มยิบเพ่ดี ไม่ติเงินเด็ดของผูเนยุเงินเปนนางเปนมื็นหเอาบ่หางนมือ้ทุกข์กหนาวิ่ยางนั่นเย็นหน้าหวานใจท่้งจะฟ้องอย่างนี้ศาสนาในตัวอันนี้กันแก้วหน่อนี่จะ่แก้ว้าหน่อกัวมีผ้าในจ่ะ มันบอกขังห่มันบอกเย็นห่มันบอกเป็นโมค้นหายโดยสมาณะไพ่ไงดยคิดบดยใจของตัวนีวัดท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดไม่คิดไนใจปวดกาจิเจ น, น้า เรป็นยางไรเราได้หายันไดเราได้ทำอันใดเรืองแล้วคิในเดือนเรานี่คิดข้องขากดีคิดข้องขากเย็นเย็นเห็นว่าอันั้นก็ไเด้นเคสได้ททำไปแล้วจิตใจนั่นแหะดีจีตุ่มใจเกิดหน้าในสั่งนา่มทำบุญ ต่างข้กวางดียางนยังใจมันก็ดีขึ้นไได้คิดแต่ว่าเบิ่งไผเลยปล่อยให้มันไหลไปทุกคนต้งชร์ที่จะไหนใจเลยว่า่วนสงบจเคียร่มิข่นเย็นจกเียร์นหรอแต่ก็สินันเย็นตรงไหนแล้วอ๊อฟนีมันเย็นเอาไว้ใจเอาแต่ะไฝมาเผาหยุของ มันนี้จะหนึ่งมันห่อนตัวใจเจ้าให้เลือกเปี่ยนวันนี้ิดใจหน้าบอาว่าด้าหนอบอกว่าด้าได้จะได้สลาดพวกนั้นหละใดความสุขความสบายใจรัดได้เกียบตโลกคนโงต่างหามอยว่บเเรืออันใด ใจว่าโลกมันเื่อนหมดคนตาบอดมันก่เคยเห็นสีเงินแสงนั่งโซาเมื่อยเบ้คนหูหัวกันเคยยื่นเสียวเมื่อกลางวันนี้อันใดยี่ไข่เลาะอันใดสิหัวถึงโค้งมั่นพค้งมันบวกเคยยื่นเสี้ยวเม่อกางวันเกิดันด ดีเฮดีก็เป็นสัตว์เหมจับคนใจดีเชื่อกันคนมีปัญญาเชื่อกันดีน่าเหยียเสิ่นตลาดอยู่ในโลกอันนี้มันจะมีความสุขความสบายหมอยูอยากอยากช้นหมูถุกหมูทะเมาน วันนี้จะเขาตูนเหี่ยงไปมีสมบัติอยู่แล้วรักษาบัวได้สมบัติไม่ก็บบุญวันนี้คแสดงหาคีอคนโง่เอามล์มอดมาดกกดกดขึ้นให้รักษาบัวได้จับใจใส่ต้อยคนที่หิ้งยำใจมอด เล้วไม่มาผ่อนเติมไอ้มีคว่ำทคว่ำสบายหาบว่ได้มีคว่ำขาดปัญญาคนมีความสลาดคว่ำสลาดนะสมบัติที่พอแมวหมอกไห่มันนี่ทุกคนทะเละอยู่ห ล, หลางกลางตัวอันนี้เป็นสมบัติมากไม้ร้ายลวง มันนีสมัติอันไหนผดทออยู่หลังกายเขาเข้าเขาขอเงินทองลายหน้าหยิเสื้อใบ่องมันเกิดขึ้นจากเข้ามันนี้แตี็เน้นีหลางกายเสือบมอยู่แล้วเาหาได้ เรื่องนั่นเกิามาที่หลงกายตรงี่ข้อไม้อันใดมันจะว่าได้หลางกายน่ะเป็นสมบัติล้ำค่าพอเามาหาอีหามาให้พยายามทำให้มันเกิดประโยชน์พอเมีนหลงรับดับหายไปแล้วป็นตายไปแล้วแต่ส่วนที่อยู่ในห้ามันแะเมีอยอยู่เอาทำคุณนงามความดี คือเอาเงินมากระโดของพอ้องเมฆถ้ำนั่นสิจะได้ไม่สงให้จากเขาฟอเราท้ำความดีมีหลุกมีเต่ามีเลี้ยมมีหลางสั่งพุนน้คว่ำดีลกนถึงหนที่สร้างคว่ำดีนึไปจะเบิกบานป็นจะหงอยท่าน เรื่องชาดกในเรื่องสลองกินไหวนี่วินนึ่งลูกเพื่อไปบวชเป็นพรเปน่นเป็นนวัดตายไปจะนรกนั่ไปมองนกเดี๋ยวเล่าไปโยนนรกพอไปเห็นแสงไฟเฮ้ยแสงยงเล้ย่างอยีายงคือจะผานมลูกคนน่อยใช่ไหมลูกเพื่อจะไปบวชหรบวชอยี่แล้วอะ เขาก็ได้ปล่อยมานี่ลูกไปบวชไปยังแห่มกันนาลกได้เพราะเราเกิดมาเราได้ให้ลูกเราบวชเยี่ยมเยนอ่านในาาศาสนาฟุดปฏิบัติเพื่อ่าความดีแล้วลูกเพื่งความดีเนี่ยมัน ได้ดี น, น, นั่นมีุ่กเรื่องเช่นนั้นส่วนเนีเสี่ยงจะไปกันยังศาสนาสอนแต่คนมีปัญญารักษากายรักษาใจของตนโมเมนต์ศาสนาเป็นของส่วนสาล่าโมกโมเป็นต์ศาสน า, าโมามีความหมายครับโลก มันมีความหมายเหตุนั้นบรรพูนุษยูคมีปัญญาเพิ่มสืบเพิ่ น, นับถือมากก็เพราะเห็นว่าศาสนาเป็นของสำคัญถี่น้ำโลกให้เจริญหลงเรื่องน้ำโลกให้หยอบเย็นเป็นทุกคน ม, มีศาสนาโอ้มุายว่าใจาใจข้องสน ผมมีศาสนาต่างหากที่เดือดร้อนหวุนไหวคนมีศาสนาเหรอว่าเดืนดร้อนว่าหวุนวหวอยากเย็นของที่เอาเขามาคือศาสนากันนั่นเส้นนี้ึ่งให้เรียก ต, ต, ตามกำลังตามความามจำของเขา หลูกเต่าสีขาวอบวชวัวเป็นเอาคนตัวข้นเสียมอบัน่อนฟ้อนวัวได้เอาไปสิ่มเลยวัดไอ้นักอกนักใจคู่บาอาจารย์ไอ้ทำไรศาสนาเน่าหนังนมมี่ไอ้สงหัยพอจริงทีขาวบวชอยากได้จร่งทีขาบต้องการคนอื่นเพื่นกับบต้องการคนอื่นเพื่อกับบอยากได้ไปยื้อสก็เป็นคิดเป็นไข้ ยิงข้อหัวหวหวงอยากได้เอาเงินให้ท่านไปคนจะว่ามีอนี้สียงหลายพอาะหัตัดควมีเงาแนนค่อยากของหัวได้หัววาต้องการขีมออกไปเลยได้ว่าอยากได้บ่ งูเห่านอันใดกับกรบุมีอานิสงส์หาคชื่อการทับหนํามูกดำไล่เขาเห่าเขาขิมออกไปทอมออกไปเนาะมันคือแยสุดเดิดอานิสงส์เอียงแล้วเนียัน่มีเนี่ยวันเนาะหมดวันกิมนั่นก็เพราจิตใจอานิสงส์หายเพาบวมนี่พวกพวกพวกห่วอันใดได้จริงแล้วนั่นเรื่องปัญหามันก็บรสุบวทานออกไป โมมีเขามีสัทธาเสียหาย่มมีเกียจตหน้าแต่ถ้ามีเกียจตหน้าที่เขาหาอันใดนก็ค่ะจะเป็นอันหน่งสงสัยเขีเขามีเกียจตาหน้านี้คุณข่ า, เ, าเขาบ่หาเขาเอาไว้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวซอยหือว่ตัดความตนนี้ จากความหวงแหนของจิตของใจไอเจ้ประสง์สมัยพุทธศาสนาพนั่งศาสนาท่านบวชปฏิบัติมากความดีความดีมองนั่นบวชปฏิบัติเจียการลาลั่นฮะ หงนาท้องหาเข่าหาค้องฮะจิ้งไยรนกเด็กกินพอเหลี่ยงชีวิตแทนเป็นพ่อหรือว่าปู่ใครของพวกเพิ่นเป็นภูมิอุปการะคุ้นพ่อเพิ่นบ่เด็กไปท้ำจิงได้ตอบแทนแกเขาไปยินดีให้ มันจะเต็มใจรับทั้งนั้นบางทีว่าของผู้นั้นดีของผูหนีชซัว่านให้เดือนนั้นใช้ใจทัศท่าจริงจังหรอของเหล่านี้คุณนข่าท่ากันี่วให้เดือดัศ น, น์ท่ออาให้เดือดน้าใจบ่เป็นให้เดือดเยอว่าได้บนงทีเอาบริหารเป็นเหล่งองท่านสำหรับ คู game, ้บ่าจา์สำหรับผันผุ Hay, ้นีอาจมีท้ำคนมีอาจมีถ้ำจังตามนี้หันตามนี้มีอันนั้นดีอันนี้ตัวทั้งๆที่เขาอด่อยอยากสี่ให้เขาให้แบบเขาหานเขาไม่มีไม่กบได้สามทานาของเขา หน้าแล้วมาภูไศลมันเป็นอาจเป็นถรำความปรกษาปฏิบัติของเพนสาวกคือกันเป็นทีงดึงดูดจิตใจของประชาชนคนโลกได้โเมนคนลื่นเหนือล like ื่นตัวบมเมนค้นลกขวนท้ำล่าจิตใจของคนอื่น ความมักหน่อยฐานโดดความนี่ระเบียบเรียบร้อยความใส่งกใส่เงียมเขี่ยร้อมบริบูรณ์ในพระพุทธเจ้าลูกขับประมาณนี้กาลูกปับประมาณนี้กาข้คจับทำมับ มานีกาผู้นี่ความยินดีความเตืนใจในลูกจะได้ดูลูกที่เสียสดะงดงามผู้ที่มีความยินดีใน่ยเดือดใจใน่จริงที่เก้หมองผ่าพรานท่านสบายนึง่งผ่าบางสกุลกต่ทีว่าเป็นเป็นค้น นี่ถ้ำพระเจลงได้ว่ามันสวยมีหล้างงามตาอันใดจะรูปร่างพองเพลนงงามอยู่แต่จริงผีนุงผีห่มโบผมเพลนละชีเลตันหาเพลนคมชีจิตชีมาเน่าของเพลนได้เพลนนี้อาจไม่ถ้ำมันจะถ่ำหลายอย่างนั้นทศกรีมไสหุ่ยินดีนะจรงผีเสาหมอง วิญญูดีได้เสียงจิตไทยละหมุ่มมวนม้วนหูจะเรียนใช้ยิญญดีในถ้ำสร้างเหตุสร้างผลจะเรียนใช้อีกคนสูงคนให้เรียนใช้ทับท่าได้ทุกอย่างเม่บุกพ่องทีพวกเฮา คมือมันบอเป็นทำนองนั่นใส่ช่างไรกันนี่ใส่จ้าพระบ่าย่มกับพีบ่าพระพระอัลกีย่มกับย่อมเยลกีฮะน่าดีบัได้ได้บ่ากันไปเอาบาบัวบาอย่างนั้นหายยไแล้วส้นผิ ใช้ยืดพุ่มพันทุ์เถิดเบ่งเห็นมันชักทสแย่หน้าเห็นมันพอกเบียกได้ยีดอกโลกอันหนึ่งไปหน่อยีวิตมันหมดเป็นของตนอดาลีกเดชติตารงหัวมาข้านสักาษาช่ตั้งไปหน่อยีวิตมันเป็น ใโลกอันนี้เลือกได้เีรนี่เป็นนิทานเนี่ยเจน่าเอาไดอารมณ์ของใจให้กันเถอะมันเลียกเที่เจน่าเอาไปรักษาศาสนาวันนี้ผู้ใดออกที่รักษา นะว่ามีภูมเงินสิทลไรว่มีผูมิเงินสิรักษาหือพวกที่ซื้อซ้ม่แนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้นสิทาศาสนาอย่างยืนคงทนได้ผู้สิทำไรศาสนาคือที่ซื้สซ้ำไม่แน่นอุบาสกอุบาสิกานี่คือกันคูมินสิมาทำไรองูมิื่นสิมา รักษาเรื่องพวกเข้าเนี่ยเอ้องไปรักษาจงังไรศาสนาจีนสิเจริญทาวอนกล่าวหนาเขารักษาหรือขเข า, า, าทำลายคือมือกวดเบิงลที่แกหน่าเบิ้ลในใจของเขาในการกระทําของเขาดูเลยมันทีแกหน่า ดย่างหนึ่งเห็นไหมซว่าเป็นภูมิปัญญาแก่คว้างหง่หง่เตาปืนเมดบอเบาหายหายไปภูมิปัญญาเรื่องเราหนึ่งแตนีแค่เมา่สิสาสีฟ้างสียเมื่อเสีอม่วงโดเสียเหรียไปเท่านั้น มีสุขคนเกิดมาในโลกแต่คนที่ทาดีหาความสุขว่าใจิีใจ่ใจของตัวมันหายเงียที่ใจอยากบอกกินมันบอกินมอยากจะผลของว่าแต่บอทํา เก็ดไปมันจะบกเพลินไปเือนก็ห้าอยากมีแนี้เงอนดีแต่ว่ปลูกาสั่ว่เก็ด่ถ้ำมันจะบม่เือเขาอยากกินเไม่เขาบอกปลูกยฟังไหมันจะบ่เลยกความสวสบายความสะดวเย็น มันต้องมีเหตุมันจะเป็นไปขั้หัวนก้วใหม่ขั้วต้วุ่นวุ่นไ้าแต่ถ้านั่งเดียวกันมันมีเหตุของมันมันจะวุ่นไหวมันจะคัดหองมันจะเดือดร้อนยามแย่หน้ามันสายส้อนว่าใจซ้อนใจฟ้องตน จิตเป็นเป็นประโยช น, แน์แก่ตนจีแย่หน้าเนี่ยนอนชัดเจนยิงจังเลยตัวตอ น, นองมือประพืชปฏิบัติทําตามโอวัตขององค์พระเจ้าทําตามการทิ่จีแย่หน้าของตัวคนนัน้นมีความสุขความส่เิศเท่านั้นอะนะเอวัง